หัวข้อวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากนะคือช่วงนี้ก็มีข่าวมีข่าวพระบังเนินบังไปกอดผู้หญิงเป็นรายวันนะนั่นมันกอดผิดที่นะแท้ที่จริงเนี่ยคนที่เราควรจะกอดก็คือ คนที่ดีที่สุดกับเราคนที่ดีที่สุดกับเรานั้นมันมีหลายความหมายนะเช่นพ่อแม่หรือคนที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงหรือไม่ได้อยู่ด้วยก็ไปกอดคนที่ดีที่สุดกับเราเช่นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ไม่ได้อยู่กับคุณลุงคุณป้าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เช่นลูกศิษย์อัตมา ก, กอดพระอาจารย์ ก็กอดอาตมาอาตมาเราไปกอดใครอาตมาก็ไปกอดหมาอีกทีหนึ่งกอดคนอื่นไม่ได้ก็กอดหมาสองตัวเพราะฉะนั้นมนุษย์นะ่ะมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติเบื้องหลังของการกอดคือมนุษย์ต้องการความรักเราอยู่กับใครเรารักใครก็ต้องการการแสดงออก การแสดงออกที่สําคัญก็คือการสัมผัสอันตรมภาพเนี่ยอยู่กับลูกเสษย์เราอยู่กับลูกเสษย์ก็อยู่กันด้วยอํานาจกับบารมีนะอํานาจเพื่อไม่เสียการปกครองบารมีเพื่อไม่เสียธรรมถ้าในานาของอํานาจเราไม่ก่อนลูกเสษย์นะไม่งั้นเสียการปกครอง ผู้บริหารหรือซีอโอทั้งหลายลงมากอดกับพนักงานบ่อยๆและคำสั่งเราไม่สักเสิ์นะสั่งอะไรไปในถูกทวนคำสั่งเรื่อยเลยบางทีทวนคำสั่งไม่พอท้าทายคำสั่งแต่ว่าถ้าเราสัมพันธ์กับคนระดับล่างของเราด้วยบา ร, รมีคือด้วยธรรมะ น, นี้เกิดความอบอุ่นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เวลาเลี้ยงดูลกูกแล้วจะให้ลูกนึกถึงพ่อนึกถึงแม่แล้วอยากกอดเนี่ยต้องมีสองอย่าง คือมีอำนาจกับมีธรรมะที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าบา ร, รมีอำนาจก็หมายความว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่มีอำนาจจะสอนลูกไม่ได้นะทำไมคือถ้าพ่อแม่ไม่มีอำนาจจะสอนลูกไม่ได้ก็คือลูกจะไม่กลัวพ่อไม่กลัวแม่มีพ่อแม่จำนวนมากที่พอลูกเอ็ดต้ขึ้นมาเนี่ยนะพ่อแม่หมอไปเลยนะ อันนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยแทนที่จะเป็นพ่อแม่บังเกิดเก้าก็เป็นลูกบังเกิดกล้าวลูกเจ้าเวลานี้ทุกวันนี้พ่อแม่ต้องจัดให้หมดนะนี่เป็นสิ่งที่เห็นอยู่ในสังคมทั่วไปแต่มาเคยเห็นเด็กบางคนที่เขาคุยกับพ่อคุยกับแม่นะบางทีใ น, นี่ตะโกนดุตะโกนดุคุณพ่อตะโกนดุคุณแม่ก็มี ข้อนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าพ่อแม่นี้ไม่รู้จักใช้อํานาจของพ่อไม่รู้จักใช้อํานาจของแม่ต่อมาถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักใช้อํานาจเราก็ไม่รู้จักใช้บา ร, รมีที่เรียกว่าธรรมะด้วยงานเลี้ยงลูกก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกแล้วล้มเหลวถึงวันพ่อวันแม่มาเนี่ยลูกไม่นึกถึงพ่อถึงแม่นะอาตมาเคยให้เด็กๆหลับตาในในค่ายิวพุทธนะ ไหเ้เด็กบอกว่าเธอหลับตานะลกูกให้นึกถึงแม่เด็กเป็นหือ่อรออาจาสังเกตดูเด็กคนหนึ่งเขาไม่หลับนาะอาจาก็บอกให้หลับตาแล้วนึกถึงดวงหน้าอันพิสูจน์ของคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะคนอื่นเขาหลับหมดนะคนึกมีเด็กคนหนึ่งก็ลืมตาพลงเลยอาจารย์ลงไปกระซิ บ, บเอาทําไมลูกไม่หลับบอกว่าพระอาจารย์หนูขอนึกถึงคนอื่นได้ไหมเพราะนึกถึงแม่แล้วหนูยังเจ็บปวดไม่หายนึกแล้วมันมันไม่ไม่รู้สึกดีกับตัวเองเลย เขาถามว่าทํำไมเป็นงั้นล่ะลูกเขาบอกว่าหนูถูกแม่เนี่ยรังแกจนสุดท้ายก็ต้องหนีไปอยู่กับยายเพราแม่เขาก็มีพ่อใหม่แล้วแม่เอาใจพ่อใหม่ทุกอย่างหนูผิดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นชีวิตของหนูเนี่ยตั้งแต่ชั้นป .6 มาแล้วน่ะหนูก็ออกจากอกแม่มาอยู่กับยายตลอดนึกถึงแม่เมื่อไหร่ก็ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าซาบซึ้งแต่ร้องไห้เพราะว่าเจ็บปวด แล้วทุกๆวันแม่น่ะโรงเรียนเขาก็ให้ทํากิจกรรมอย่างเนี้ยให้นึกถึงแม่ให้นึกถึงพ่อเธอก็บอกว่ามีปัญหาทุกครั้งไปที่ให้หลับตานึกถึงแม่พราะนึกถึงแม่ปุ๊บเธอก็บอกว่านึกถึงหน้ายักษ์หน้ามานนึกถึงความเจ็บช้าน้ําใจที่ตัวเองได้รับจากแม่อันนี้คือแม่ไม่มีธรรมะนั่นเองไม่มีค่าพอที่จะให้โลกอยากจะกอดทีนี้ ประเด็นต่อมาถ้าพ่อแม่ไม่มีอำนาจคือไม่สอนลูกตั้งแต่ต้นเมื่อลูกโตขึ้นพ่อแม่จะถูกลูกครอบงำแล้วสุดท้ายนะถ้าเราไม่สอนเขานะเขานี่แหละจะรังแกเราเขาจะรังแกเราในทางกับกันถ้าพ่อแม่ไม่มีธรรมวันหนึ่งพ่อแม่เรียกร้องให้ลูกตอบแทนลูกเขาก็จะถามเอาว่าคุณเลี้ยงฉันมาหรือเปล่า ถ้าพ่อแม่คนไหนถูกถามอย่างนี้แล้วเนี่เป็นเรื่องโศกนรกรรมนะคือเวลาวันแม่เนี้ยตมาจะสังเกตว่าเราเรียกร้องให้ลูกตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะแต่ในรัศนะของตอมาเนี่ยตมาอยากจะบอกว่าก่อนที่จะตอบแทนเนี่ยให้ลูกตอบแทนน่ะแม่ต้องทำหน้าที่ก่อนพ่อต้องทำหน้าที่ก่อนพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยไม่เคยบอกให้เราเรียกร้องอะไรโดยที่ไม่มีไม่มีการสร้างเหตุผลที่ดีขึ้นมารองรับ เช่นอยากจะให้โยไมไหว้พระพระต้องมีศีลนักการเมืองจะได้รับศรัทธาจากประชาชนนักการเมืองต้องมีทศพิษราชธรรมสังคมจะริ่มเย็นเป็นสุขสังคมก็ต้องมีระบบจริยธรรมขั้นพื้นฐานนั่นคือมีศีลห้านี่พุทธศาสนาสอนอะไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ตลอดเช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการให้โลกเนี่ยการันตูต่อพ่อต่อแม่ พุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ให้เป็นซะจากนั้นไม่ต้องเรียกร้องแล้วลูกเขาจะดีต่อพ่อต่อแม่เองถ้าเราไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเงให้ดีเวลาเราไปเรียกร้องบนคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนถูกเรียกร้องเขาอืึดอัดนะเขาบอกว่าในบรรดาการถอนทั้งหลายไม่มีอะไรยากเท่ากันถอนทิฏฐิ ในบรรดาการสร้างทั้งหลายไม่มีอะไรยากเท่ากาันรสร้างคนในบรรดาสิ่งที่หนักทั้งหลายไม่มีอะไรหนักเท่ากาันถูกทวงบุญคนเพราะอะไรคือถ้าเราไม่มีโอกาสตอบแทนนมันหนักอกหนักใจนะถ้าเราถูกทวงบุญคนแล้วเราทำแทนไม่ได้แล้วไม่กล้าไปหาเลยใช่ไหยใครก็ตามที่ถูกทวงบนคนจะรู้สึก ต่อคนที่มาทวงบุญคุณเราในทางลบทันทีทั้งๆ ท, ที่เขาอาจจะเคยมีคุณกับเราก็ตามนะอาตจมาเคยรู้จักคุณหมอคนหนึ่งเป็นพวกนักการโรงพยาบาลเคยมาบวชอยู่ที่วัดคุณหมอยึกบวชอยู่สามเดือนก็ก็มีความสุขแต่ในวันที่จะลาสิกขาหนึ่คุณหมอก็ไปลาหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อพูดไล่หลังคุณหมอมาหลังจากให้คำว่าแล้วบอกว่าหมอหมอจําไว้นะ หมอได้บวชเนี่ยเพราะหลวงพ่อนะเดินออกจากกุฏิแล้วคุณหมอก็มากราบอาตมาแล้วกหมอ ก, กระธิบอาตมาว่าผมจะไม่ไปหาหลวงพ่อเพราะไปะยกสุดท้ายแหละครับคือไปทวงบุญคุณเขาคนบางคนเขาถือนะเรื่องแบบนี้เขาถือว่าคนอย่างเขาเขารู้ใครมีคุณใครไม่มีคุณเขารู้ใช่ไหมพอไปทวงปุ๊บหนึ่งเหมือนกับไปยั่วเขาอะคนบางคนนี่ไม่ชอบ มนุษย์มันมีหลายพันมนุษย์บางพันชอบคำชมมนุษย์บางพันชอบคำยุมนุษย์บางพันชอบคำยั่วแต่มนุษย์บางพันน่ะไม่ชอบการทวงบนญคนหรือมนุษย์บางพันก็ไม่ชอบคำสั่งฮะอย่างเพื่อนอาตมาเนี่ยแกกวาดวัดมาเจ็ดปีปีที่แปดเจ้าวัดตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกวาดวัดแกทิ้งไม่กวาดท้ามวันเลยแต่บอกฉันจะทําก็เพราะฉันอยากจะทําอย่ามาตั้งถ้าตั้งไม่ทําเห็นไหมนี่มนุษย์เป็นอย่างนั้น พอป่ปทวงพุ๊บนี่แกบอกว่าแกเลิกนับถือเลยเพราะอะไรเพราะแกถือว่าหลวงพ่อที่ดีต่อแกเพราะว่าต้องการเอาใจหลวงพ่อกําลังลงทุนดูแลคนหมอคนนี้เพื่อว่าอะไรหวังผลในระยะยาวไงคุณหมอแกรู้สึกว่าความดีของหลวงพ่อองค์นั้นมันไม่จริงใจอันนี้ที่แกไม่ชอบตอนนั้นเวลาเราทําคุณกับใครถ้ามันมีสัดส่วนของความไม่จริงใจอยู่ในนั้นบุญคุณที่เราทํามันจะกลายเป็น เป็นบาปแทนที่จะเป็นบุญท่านถึงบอกว่าดีต้องเพื่อนดีนะดีต้องเพื่อดีถ้าดีเพื่อหวังผลบางอย่างปุ๊บมันจะให้ผลในทางไม่ดีคนจํานวนมากที่บอกว่าทําดีทําไมไม่ได้ดีก็เพราะองค์งประกอบในการทําดีมันไม่ถูกไปทําดีแล้วหวังผลเช่นไปนเลี้ยงตั้งเด็กเนี่ยพอมันโตมาก็เอาไปทำพันธยาเลอยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าสงสารอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่สงสารนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสเสน่หา สงสารกับเสน่หาในภาษาบาลีมันใกล้กันมากคือสงสารคือเมตตาเสน่หาคือราคะมันติดกันนิดเดียวแทบแยกไม่ออกใช่ไหมนี่แหละในในการที่เราจะเรียกร้องให้ลูกๆทั้งหลายมาระลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ก็ดีเราต้องเรียกร้องสิ่งอื่นก่อนคือเรียกร้องหาการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้เป็นถ้าพ่อแม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้เป็นแล้วไม่ต้องเรียกร้อง ถึงวันแม่มาลูกๆเขาดีเองอาตมายังจําได้ดีว่าตอนที่ในในปีที่ยมแม่ของอาตมาจะเสียปกตินี้ยมแม่ไม่ไม่เคยกอดอาตมานะปีนั้นอาตม า, าพาไปเยี่ยมบ้านยมแม่เนี่ยยืนอยู่หัวบันไดนหละหัก็ไดรอขึ้นไปยมแม่มากอดอาตมาทางผ้าเหลืองนะเป็นกอดเดียวแล้วก็เป็นกอดสุดท้ายด้วยที่อบอุ่นมาก อาตมายังจําสัมผัส น, นั้นได้จนทุกวันนี้ก็สังหรณ์ใจว่าทําไมยศแม่กอดเรากระมาก็ต้องมาหาวิธีแสดงอาบัติแต่พอหลังจากวันนั้นผู้ยมแม่ก็เริ่มล้มป่วยเริ่มล้มป่วยแล้วอาตมาก็สงหรณใจมากก็บอกแม่ว่าแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะปีนี้อาตมาจะพายมแม่เข้าวังเพราะปีนั้นอาตมาสอบประเด็นธรรมหกประโยค ประนทำหกประโยคกับประเด็นเก้าประโยคเนี่ยถ้าสอบผ่านในหลวงจะพระราชทานพัดยศ ด, ด้วยตัวเองอันดามางองสารใจว่ายมแม่คงอายุไม่ยืนนะ <c oughs> ก็บอกว่าแม่ยังเพิ่งเป็นอะไรปีนี้ลูกจะพาเข้าวัางโยมแม่อันมาป่วยหนักถึงกับเข้าโรงพยาบาลแล้วอันมาก็รู้ว่าวันเวลาคงเหลือไม่มากตั้งใจเรียนหนังสือเต็มที่เลยกลัวแม่จะอยู่ไม่ทันเห็นความสําเร็จของพระลูกชายปีนัน้นอันมาสอบได้ โยมแม่ก็ออกจากโรงพยาบาลมามาเฝ้ารับเสด็จที่วัดพระแก้วในพระบรมหาราชวังพอรับพัดออกมาเนี่ยตาไมาเห็นโยมแม่นู้นปนอยู่ในฝูงชนโยมแม่ก็มารับรับพัดรับพัดไรจากสมเด็จพระบรมบรสาธิราชซึ่งเสด็จแทนพระองค์วันนั้นอันสุภาพมาถึงเนี่ยก็บอกโยมแม่ว่าโยมแม่อีกสามปีถ้าได้ปเปลี่ยนคำก้าวประโยคในหลวงพระราชทานเองเนี่ยนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ พัดต่างจากนี้ตรงที่เป็นเลขเก้าคือเดินมาก็นึกไม่ออกว่าทําไมทําไมต้องไปพูดอย่างนั้นกับยมแม่แต่มันนึกได้ทีหลังก็คือเรารู้สึกไงฮะว่าไม่อยากให้แม่ห่วงไม่อยากให้แม่ห่วงอยากจะให้แม่จดจําภาพพิมพ์ใจของการรับพระราชทานพัดยศกับพระไตรวันนี้ให้ดูเอาไ ว, วา้ว่าวันหลังถ้าแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยถึงลูกจะประสบความสำเร็จบรรยากาศ ก, าก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอกลับมาโยแม่ก็ป่วย แล้วก็เสียชีวิตในปีที่ตอตมาสอบประเด็ธรรมเจ็ดประโยคพอดีหลังจากยศแม่เสียเนี่ยก็เป็นเวลานานานะกว่าที่ตอตมาจะกลับไปเยี่ยมบ้านเพราะอะไรคือพอไปถึงบ้านผู้อตมาจะมองเห็นยศแม่อยู่ที่หัวกระไดเป็นภาพประเพณประพายเหมือนจะอยู่แต่ไม่อยู่เหมือนจะเห็นแต่ไม่เห็นเหมือนจะอบกอดแต่ก็ทําไม่ได้ท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่นะยังมีแม่ให้ก่อดแล้วยังไม่ได้กอดเนี่ย ต้องคิดให้ดีนะคือเราโชคดีที่มีแม่ให้กอดแต่เราโชคร้ายที่ยังไม่เคยกอดเลยถ้าไม่ได้กอดแม่ถ้าแม่เสียไปแล้วมันตามไปกอดได้ไั้ยในพบหน้าพบไหนจบแล้วจบเลยเพราะแม่เป็นบุคคลที่มันไม่มีอะไรไปหาในเทสโกโ ล, โลตัสก็ไม่มีนะแม่เนี่ยจบแล้วจบเลยทีสิ้นแล้วสิ้นเลยฉะนั้นถ้าถ้าคุณยังมีแม่ให้กอด ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้กลับไปกอ่อนต้องคิดละหรือถ้าเป็นแม่และลูกไม่เคยก่อนเลยก็ต้องถามตัวเองแล้ววันนี้เราเป็นแม่ประเภทไหนไม่มีค่าพอให้ลูกกอดใช่ไหมการอบกอดนันน้นมีสองความหมายหนึ่งอบกอดทางกายสองอบกอดทางจิตวิญญาณอบกอดทางกายทำยังไงก็คือก่อนสมผัสธรรมดาสองอบกอดทางจิตวิญญาณก็คือการเป็นลูกที่ดีแล้วทําให้พ่อของเราแม่ของเรา รู้สึกภูมิใจว่าลูกคนนี้เป็นลูกที่ดีจริงๆสมกับเป็นลูกของพ่อลูกของแม่นั่นคือการอบกอดทางจิตปัญญาทำให้พ่อแม่รู้สึกดีใจอยู่เสมอว่าลูกของพ่อลูกของแม่จะไม่ทำอย่างนี้ตอนที่ตะมาภาพอยู่เชิงอรมีเจ้าของร้านหนังสือร้านหนึ่งมาฟ้องหลวงพ่อเจ้าวาดัดหลวงพ่อพระวัดหลวงพ่อเนี่ย ไปซื้อหนังสือโป้นะหลวงพ่อบอกว่าคุณมั่นใจหรือว่าเป็นพระวัดอาตมาอาตมาเชื่อมั่นว่าพระวัดอาตมาจะไม่ทําอะไรอย่างนั้นคือหลวงพ่อก็เป็นเหมือนพ่อนะเราเรียกท่านว่าหลวงพ่อเพราะท่านเป็นเหมือนพ่อจริงๆปรากฏว่าเมื่อสืบไปสืบมาไม่ใช่พระวัดอาตมาจริงๆ อันนี้จะทอนว่าถ้าเราเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่ดีเลี้ยงลูกดีๆแล้วมีการประกันคุณภาพนะประกันคุณภาพที่เขาเรียกว่า QA เนี่ยประกันคุณภาพดีๆลูกของเราเนะถึงแม้มีคนมาใส่ร้ายลูกของเราแต่ถ้าพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกดีๆพ่อแม่ก็จะมั่นใจในตัวลูกว่าไม่มีทางที่ลูกฉันจะเป็นอย่างนั้นหลุงพ่อของอาตมาท่านมั่นใจในลูกพระลูกเร น, นของท่านขนาดนั้นหรือพระเจ้าสุทธรนะเนี่ย ตอนที่เจ้าชายีซตาถากไปบำเพ็ญบารมีวันหนึ่งมีคนมากราบทูลว่าลูกชายของพระองค์เนี่ยเสียชีวิตแล้วพระเจ้าสุโธทนาบอกว่าไม่มีทางหรอกลูกฉันนะทำอะไรถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะเขาไม่ตายหรอกนี่คือมั่นใจในการเลี้ยงดูลูกของตัวเองขนาดนั้นนะซึ่งต่อมาก็มีความจริงปรากฏว่ายังไม่ยังไม่ตายจริงพ่อแม่คนไหนก็ตามที่เลี้ยงลูกแล้วสามารถ ภูมิใจในตัวลูกถึงขนาดว่าปล่อยลูกออกไปสู่โลกกว้างแล้วเนี่ยรู้ได้เลยว่าลูกจะไม่ทําอย่างนั้นจะไม่ทําอย่างนี้เพราะฉันเลี้ยงของฉันมาเน่นคือพ่อแม่ที่ประเสริฐเลิศที่สุดนะถ้าเราเลี้ยงลูกได้อย่างนี้ถึงวันวันพ่อวันแม่มาไม่ต้องเรียกร้องอะไรลูกรู้ว่าลูกจะโอบกอดพ่อแม่ยังไงเราอยู่กรุงเทพเราไม่มีเวลากลับขึ้นไปอยู่ใกล้คุณแม่แต่เราสามารถโอบกอดท่านทางจิตวิญญาณได้ไหม การเป็นลูกที่ดีนั่นแหละคือการอบ ก, ก่อทางจิตวิญญาณตอนก่อนที่ยมแม่ของอัตมาภาพจะเสียประมาณสองปีท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าทั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่อีกแล้วประโยคนี้เป็นประโยคที่ทำให้อัตมาเวลาว้าเวขึ้นมานะนึกถึงประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดก่อนที่แม่จะเสียเราสามารถทาได้ไหม ที่เป็นคนดีจนแม่พูดได้ว่าแม่สุขที่สุดแล้วอิ่มที่สุดแล้วที่มีลูกคนเนี้ยถ้าทําได้อดตมมาคิดว่าแม่จะต้องเป็นแม่ที่ดีจริงๆคือเลี้ยงลูกได้ดีการที่ลูกดีสแสดงว่าแม่ดีเพราะลูกคือเงาของแม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าแม่เป็นยังไงก็สะท้อนมาเป็นเงาของลูกอย่างนั้นน่ะมันชัดเจนมันตัดกันไหมครับอดตมมาเคยพูดไว้คําหนึ่งว่า งานเลี้ยงลูกของมารดาสําคัญกว่าการปั้นพระของศิลปินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลาศิลปินเขาปั้นพระขึ้นมาองค์หนึ่งคนมากราบคนมาไหว้แต่ก็เฉพาะคนที่ศรัทธาเท่านั้นนะเช่นเรามีพระแก้วมรกตก็เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นเองที่มากราบที่มาไหว้คนศาสนาอื่นเขาก็เฉยเฉยใช่ไหม หรือบางทีก็จะพราะคนไทยเท่านั้นเองเห็นไหมว่าถึงแม้เราจะปั้นพระแล้วพระองค์นั้นสำคัญที่สุดศิลปินอุธิศกายอุทิศใจทมก็ทำให้คนเคารพนั บ, นบถือบูชายกย่อ ง, องได้เฉพาะปริมณฑลที่จำกัดนากาลาหนึ่งนาเทสานึงแต่ถ้าแม่ปั้นลูกให้ดีที่สุดขึ้นมาได้คนหนึ่งนะลูกคนนั้นจะสาคัญยิ่งกว่าพระหนึ่งองค์เช่น สมเด็จพระบรมราชชนนีปั้นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูให้สังคมไทยดูซิว่าพระองค์มีเดชานุภาพมีพระบารมีขนาดไหนยี่สิบเก้าราชวงศ์ทั่วโลกมาเฉลิมฉลองพระองค์พระองค์กลายเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหากษัตริย์นั่นคือแม้แต่ในหมู่กษัตริย์ด้วยกันเองก็ยังยกย่องในหลวงของเรานี่คือผลงานการปั้นของสมเด็จย่า ไปดูผลงานการตั้นของคุณแม่เคลื่อนพาณนนิชปั้นพระลูกชายคือท่านพุท ธ, ธาทาสพิขุไม่มีแม่เคลื่อนนะชื่อพุทธทาสไม่มีเพราะตอนไปก่อตั้งส่วนโมกท่านพุทธทาสขอยืมเงินจากแม่ยมแม่มีเงินเพื่อนผีอยู่หกพันบาทเงินส่วนนี้เนี่ยยมแม่ทำเป็นพิธีกรรมเอาไว้จัดงานศพตอนเสียชีวิตยมแม่ก็ถามพระลูกชายว่าลูกลูกจะทำได้จริงๆหรือ สร้างโบสถ์ไม่มีเสาไม่มีตัวโบสถ์เลยไม่มีช่อฟ้าใบระกาเลยเนะี่ยมันจะดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ยังไงพระลูกชายก็ชีช้แจงสุดท้ายยมแม่เคลื่อนซึ่งเป็นแม่ที่คิดนอกกรอบแม่น้อยไปกว่าพระลูกชายอนุมัติเงินเพื่อนผีเงินเตรียมเผาศพเองบอกว่าลูกเอาไปพระลูกชายเอาเงินจํานวนนั้นไปทําตอนนั้นท่านพูดท่านอายุ26เองนะ26 27เองนะลงไปอยู่สวนโมกนะเอาเงิน 6,000 บาทไปทําอะไร ก่อตั้งคณะธรรมทานซื้อเครื่องพิมพ์มาพิมพ์หนังสือพิมพ์พุทธศาสนาและนับแต่นั้นหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นที่มาของชื่อพุทธทาสภิกขุตอนนี้ทั่วโลกรู้จักพุทธทาสภิกขุผลงานการปั้นของโยมแม่ของท่านเองเห็นไหมยมแม่ปั้นท่านพุทธทาส แล้วเวลามีคนไหว้ท่านพุทธทาสนี่ไม่ใช่ไหว้กันเฉพาะคนไทยนะมันไหว้ทั่วโลกเลยไหว้ทั่วโลกสิ้นเดือนนี้โปรเฟสเซอร์จามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จ, จะมาปากฐกถาโดยท่านพุทธทาสที่จุลาเดือนตุลาเขาจะจัดที่อเมริกามหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกที่รู้ว่าท่านพุทธทาสได้รับการยกย่องนะล้วนแล้วแต่จัดงานถวายท่านพุทธทาส เห็นไหมว่าผลงานการปั้นของแม่เคลื่อนนั้นทำให้ท้าลูกชายของท่านได้รับการยอมรับกล่าวขานไปทั่วโลกหรือยอมแม่ของท่านดาลายลามะเทนซินการยศโสนองที่สิบสี่ปัจจุบันนี้ั้นลูกชายของท่านจนทุกวันนี้คนทั่วโลกเขามองดาลายลามะว่าเป็นศาสดาของศาสนาพนะุทธเหมือน สันต์ป่าป่ า, ปาเหมือนป๊อบเลยครับคือเขาบองว่าองค์ดายลามะไปที่ไหนก็ตามที่นั่นคือตัวแทนของศาสนาพุทธศาสนาพุทธของเรามีชื่อมีเสียงมีช้ำอยู่ในเวทีโลกเนี่ยเพราะดายลามะถามว่านั่นใครบ้านก็ยมแม่ท่านละ่ะยศแม่ท่านเป็นผู้หญิงชาวบ้านแท้ๆเลยแต่ฉลาดมากนะฉลาดมากเขาไปสอนท่าลูกชายถึงในวัง ช่วยการปั้นอาตมาไปเดินอยู่ที่นยหยอกนั mm ้น hmm. ฝรั่งมันแซลไดไลละมาตลอดทางเลยนะดูดิว่าเขารู้จักขนาดไหนเนี่ยคือคือผลงานการปั้นของแม่เพราะเหตุนี้แหละอาตนาจึงกล่าวว่างานเลี้ยงลูกของมันดาสําคัญกว่างานปั้นพระของศิลปินเพราะพระที่ศิลปินปั้นได้รับการยอมรับน้าถือในบริเวณที่จํากัด แต่ลูกที่แม่ปั้นได้รับการยอมรับน้ำถือไปทั่วโลกอยู่เหนือการอยู่เหนือเวลาไม่มีขีดจำกัดงานเลี้ยงลูกสำคัญขนาดนี้เราจะเลี้ยงลูกกันยังไงตำหาจะแนะนาท่านทั้งหลายซึ่งต่อไปจะเป็นแม่หรือที่เป็นแม่อยู่แล้วก็ลองทบทวนดูหรือท่านที่เป็นพ่อก็ลองทบทวนดูว่าเราเป็นพ่อได้ไหมเพราะพ่อบางคนต้องทำหน้าที่ของแม่ สมเด็จพระบรมราชชนนีบอกว่าฉันเลี้ยงพวกเขาต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่หมายความว่าไงหมายความว่าสมเด็จย่าเลี้ยงในหลวงเลี้ยงรัชกาลที่แปดเลี้ยงพระรถพระราชธิดาธ ท, ทุกทุกองนะทรงทำสองหน้าที่คือหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่ด้วยมีผู้กลาบบังคมทูลถามว่า พระองค์เลี้ยงยังไงพระองค์บอกว่าตอนเขายัางเล็กๆฉันก็พาเขาไปวัดนี่น่าคิดนะพาเขาไปวัดล้วสอนให้ประหยัดสอนให้มัจฉยัดพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระราชอภิสิเนี่ยสเสด็จพระราชดำเนินต่างจังหวัดพระราชบริพารจะต้องแยกย้ายกันไปเยี่ยมวัดไปสำรวจดูว่าในถิ่นนั้นๆมีพระรูปไหนที่ดีพอที่ในหลวงจะกราบได้ พ่ออะไรก็นี่ไงแม่ของพระองค์ท่านสอนมาถ้าไม่ได้รับการแนะนำท่านสอนอยากที่จะเข้าหาพระและวัดเพราะอะไรเ พ, พราะคนที่อยู่เมืองนอกก็จะคิดว่าฉันได้รับการศึกษาดีเรื่องอะไรจะไปฟังพระเทศเรื่องอะไรจะเข้าหาพระแต่ในหลวงของเรานั้นทรงทรงประสูติเมืองนอกได้รับการศึกษาที่เมืองนอกแต่กลับเมืองไทยแล้วกลายเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็น แหลกไหมก็สมเด็จย่านั่นแหละสมเด็จพระบรมราชชนนีนั่นแหละถ่ายทอดความเป็นไทยให้ถ่ายทอดพระราชอุปนิสัยในทางพระศาสนาให้สมเด็จพระบรมราชชนนีนั้นเชี่ยวชาญธรรมะถึงขนาดว่าตรวจแก้ต้นฉบับหนังสือธรรมะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันอาตมายังเห็นหลายพระหัตต์อยู่นะมีหลายพระหัตเป็นหลักฐานอะไทรงโยงยั่วเยี่ไปหมดเลยแล้วเสนอสมเด็จพระญาณสังวรนะ ถ้าไม่รู้ธรรมะขนาดนั้นแก้ได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนในหลวงสงพระรชนิพลพระหมหาชนกนะอันนี้คือคือสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากแม่ความสนใจในพระพุทธศาสนาความเป็นไทยเพราะฉะนั้นลูกจะเป็นยังไงไม่สามารถปฏิเสธความเชื่อมโยงของแม่ปราท่านบอกว่าถ้าลูกเป็นโจรแม่ก็มีส่วนสร้างความเป็นโจรให้ลูก ถ้าลูกเป็นนักปราดแม่ก็มีส่วนสร้างความเป็นนักปราดให้ลูกเราต้องเป็นเป็นแม่ให้เป็นแต่ถ้าเป็นแม่ไม่เป็นเป็นยังไงลูกจะกัดหูลูกจะกัดหูนหในเมยสองความหมายความหมายหนึ่งมันกัดหูจริงๆนะแต่ความหมายหนึ่งลูกมันจะเลวความเลวของลูกจะลือลั่งสนั่นเมืองเป็น t a l ปออฟเด t ะทามาเข้าหูแม่แล้วแม่นอนไม่หลับนั่น ลูกกัดถงแม่ถ้าเลี้ยงไม่ดีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากนิทานปัญญาเกรกที่เขาเล่าเอาไว้นะเรื่องนี้อยู่ว่ามีแม่คนหนึ่งเนี่ยอยู่กันกับลูกสองคนแล้วโอ้ลูกมากโอ้ลูกอย่างเลยลูกทำอะไรเนี่ยดีหมดทำไมเธอจึงตามใจลูกเพราะว่าเธอเสียเสียสามีไปแล้วคนหนึ่งก็เลยอยู่กับลูกลูกคือลมหายใจของเธอเธอก็เลยตามใจลูกรักมาก กลายเป็นว่าพลาดได้มากความรักก็คือที่มาของความผิดพลาดได้ไั้ยที่เขาบอกว่ารักคือตาบอดนะมันรักมากมันก็เลยมองข้ามความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงวันหนึ่งลูกก็ไปขโมยขโมยของเล็กๆมานะเช่นไปขโมยแตงโมมาอย่างนี้แม่บอกโอ้โหลูกลูกนี่เก่งนะช่วยแม่ทำมาหากินวันนี้รอดไปได้มื้อหนึ่งนี่ลูกมันก็ปลื้มสิ ใช่ไหวันต่อมามันเอาใหญ่แล้วมันขโ ม, มยวิทยุทานซิสเตอร์ใหญ่ขึ้นหม่แม่บอกโอโหโลกวันนี้มีพัฒนาการนะมันขยับมาเป็นวิทยุเลยนะแล้ววันต่อมาลูกไปขโ ม, มอยอะไรลูกไปขโ ม, มยเครื่องเพชรของเสนา ม, มาทัพหนึ่งขโ ม, มยมาให้แม่เพราะอะไรขโ ม, มยแตงแม่ก็ชมขโ ม, มยวิทยุแม่ก็ชมทีนี้มันขโ ม, มยเครื่องเพชรเลยนะ แม่ตกหลังลูกพวกอะไรโอโหลงเรารอดตายแล้วลูกมีเพชรมีพลอยแล้วฮปรากฏว่าถูกคณะกรรมการกรมการเมืองจับได้ถูกคณะกรรมการกรมการเมืองจับได้แล้วลูกอายุเจ็ดแปดขวบนะเขาไม่อนุอนุโลมเลยนะบอกว่าขโมยของของคนอื่นเนี่ยก็ยังพออภัยนี่เป็นรโมยของของ ข้าราชบริพารใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ถ้าเราไม่ทําโทษขั้นหนักที่สุดเด็กก็จะกลายเป็นอาญากรระดับโลกไปเขาจึงเอาเด็กคนนี้ไปประหารโดยใช้วิธีประหารโดยมีดกิโยตินนะคือมีดกิโยตินเนี่มันจะเป็นวิธีประหารแบบโบราณมากที่มีมีดคมๆอยู่ข้างบนหนักเป็นสิบกิโลเนาะเอาเชือกผูกไว้ให้อาญากรทั้งหลายที่จับมา เ, เอาคอไปวาง ถึงเวลาประหารเขาตัดเชือกแล้วเมียดเลื่อนลงมาไม่ต้องออกแรงนะให้มันเลื่อนลงมาตัดชับคอกระเด็นแต่ก่อนที่จะมีการประหารนั้นเองเจ้าหนูก็บอกว่าขอคุยกับแม่หน่อยเจ้าหน้าที่ก็บอกเอาอนุญาตห้านาทีคนเป็นพันที่มายืนดูการประหารก็รอดูว่าเจ้าหนูจะสั่งเสียอะไรพ่อแม่เนี่ย โน้มตัวเข้าไปใกล้เจ้าหนูเพื่อฟังคําสั่งเสียเจ้าหนูกัดหูแม่ขาดทันทีเลือดพุ่งกระโชดเลยนะแม่เป็นลมเลยหามกันออกมาพยาบาลเจ้าหน้าที่ถามว่าทําไมเธอไม่สั่งเสียแทนที่จะสั่งเสียทําไมต้องไม่กัดหูแม่ด้วยเจ้าหนูก็บอกว่าที่ผมต้องกัดหูแม่ก็เพราะผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าที่ผมถูก ประหารในวันนี้เพราะสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดมันเป็นความผิดแต่แม่ไม่เคยบอกผมเลยว่าสิ่งที่ผมทำเป็นความผิดเพราะฉะนั้นผมจึงต้องกันหูแม่เผื่อว่าวันหนึ่งแม่มีลูกคนต่อไปแม่จะได้ไม่ลืมที่จะเอาธรรมะกรอกใส่หูลูกคนที่สองของแม่เห็นไหมนี่คือศุกกันาตการรมเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงลูกเอาเงินใส่มือให้ลูกเอาเครดิตการ์ดใส่มือให้ลูก แต่ถ้าคุณไม่ใส่คุณธรรมลงไปนะวันหนึ่งคุณจะถูกกัดหูหูของแม่เนี่ยจะถูกกัดถ้าไม่ถูกกัดจริงๆก็ถูกกัดเพราะว่าลูกจะไปทำสิ่งที่ชั่วช้าเร็วสามเอาไว้แล้วเสียงมันสะท้อนเข้าหูแม่แม่ที่รู้ว่าลูกเร็วเนี่ยไม่มีความสดสุภา ษ, ษิตสันสกฤตเขาพูดเอาไว้ดีมากเขาบอกว่าการที่มีลูกโง่นะ ให้มันโง่ไปเลยยังดีซสียกว่าการที่มันมีลูกเลวหมายความว่านะถ้ามันโง่ไปเลยนี่มันก็ดีไปอย่างนะนคงไม่ทําอะไรมากแต่ถ้ามันเลวเนี่ยมันจะมีความเลวถัดถัดถัดกันมาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะในสังคมไทยเราแทบไม่ต้องยกตัวอย่างเลยลูกที่เลวแล้วทําให้พ่อแม่หมดอนาคตทางการเมืองนะมันเยอะแยะไปหมดนะเห็นไหมนี่คือความเป็นจริงที่ว่าลูกเนี่ยกัดหูแม่นะ กันมาทุกยุคทุกสมัยเลยสุดท้ายพ่อแม่แทบไม่มีถนนให้เดินในเมืองไทยเมืองไทยมีถนนกี่สายพ่อไม่ออกมาเดินในเวลากลางวันไม่ได้อายไปทำธุรกิจธุรกิจก็ไม่รุ่งเพราะเอ่ยชื่อนามสกุลขึ้นมาเท่านั้นเองพ่อแม่เป็นคนดีแต่เขาเชื่อมโยงไปถึงโลกไปจีบสาวสาวก็สลัดหมดทุกรายเลย นี่คืออันตรายจากการที่แม่เลยไม่ยอมใส่คุณธรรมลงไปในหูลกูกลูกจึงกัดหูแม่ชั่วนาตาปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ทั้งหลายนะใส่คุณธรรมลงไปในหูลกูกใส่ธรรมะลงไปคุณแม่จะไม่ถูกกัดหูแต่ว่าคุณแม่จะได้รับการเอาดอกไม้ที่หอมที่สุดนะมาทับหูคือถ้าไม่เอาคุณธรรมใส่หูลงไปเนี่ยคุณแม่ถูกกัดหู แต่ว่าถ้าใส่ธรรมะลงไปเนี่ยคุณแม่จะได้รับการดอกไม้ที่หอมที่สุดไว้ที่หงเหมือนสมเด็จพระบรมราชชนนีนนทรงรักในหลวงทรงปั้นในหลวงพระองค์ทรงได้ยินแต่คำชมแทาไม่มีใครพูดถึงในหลวงในทางที่ไม่ดีเลยแต่แล้วถึงจะมีคนชมในหลวงขนาดนั้นนะพระองค์ก็บอกว่าลูกอย่าลอยนะชื่อของลูกเนี่ยภูมิพลแปลว่าติดเด่น ติดดินคือต้องไม่ลอยต้องอยู่กับประชาชนในหลวงก็จำพระราชดํารสนี้นะเอามาประพฤติปฏิบัติว่าแม่สอนเราแม่แปลชื่อของเราว่าภูมิพลแปลว่าติดดินก็แสดง ว, ว่าแม่อยากให้เราอยู่กับประชาชนอยากให้ทำงานให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ท่านเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ติดดินสมเด็จ ถ้าเบริมราชชนในนี้ก็ได้รับการยกย่องไม่จบไม่เส้นพระองค์ท่านประทับที่เชียงรายที่โดยตุงคนเชียงรายก็จัดประเพณีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงทุก ป, ปีพระองค์เป็นมิ่งขวัญเมืองเห็นไหมคนไทยเมื่อกราบไหว้ยกย่องบูชา ส, รสรารเสิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเราก็กราบเลยไปถึงสมเด็จย่ายกย่องเลยไปถึงสมเด็จย่า นี่ไงคือแม่เลี้ยงลูกดีเอาธรรมะใส่ในหูลูกแม่ได้รับการทัดดอกไม้ที่หอมที่สุดในโลกโดยมือของชาวโลกทั้งปวงเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงลูกของบารดาจึงสาคัญกว่างานปั้นพระของศิลปินนอกจากสมเด็จย่าจะสอนโรองท่านในเรื่องติดดินแล้วสอนอะไรอีกสอนเรื่องการเป็นผู้ให้สอนเรื่องการเป็นผู้ให้ ทุกๆครั้งที่ให้เงินในหลวงนะสมเน็จได้บอกว่าโลกต้องเสียภาษีสิบปรเซ็นตขาราชาบริพารบอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกอที่แม่ให้เงินลูกแล้วหักภาษีคือข้อนี้เป็นเหตุให้ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคารพเงินมากไม่เลี่ยงบาลีใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างเคารพที่สุด ถ้าเราจะบริพารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถึงก็บอกว่านอกจากจะทรงเคารพเงินแล้วปรากฏว่าทรงมีพระราชนิสัยในทางประหยัดสูงสุดนะขนาดว่าทรงเบิกดินสอปีละสิบสองแท่งประหยัดไหมปีละสิบสองแท่งเท่านั้นเองฉลองพระองค์เนี่ยทรงนานที่สุดถึงสิบสองปีนะคิดดูนี่คือพระนิสัยประหยัดได้มาจากแม่แล้วความเป็นผู้ให้เนี่ย ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขนาดว่ามีคนยายคนหนึ่งไปขอกู้เงินนะพระองค์ท่านให้อ่ะกู้ครั้งแรกให้แนละ้วเอามาทําธุรกิจปรากฏว่าได้ผลไปกู้ต่อพระองค์ก็ให้อีกต่อมามีคนเห็นแววก็ไปขอกู้แต่ว่าจะไปเปรียบแชรพระองค์บอกอย่างเนี้ไม่ให้นี่คือคือการเป็นพระผู้ให้ของพระองค์ท่านแล้วการเป็นพระผู้ให้อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ ขวัญและกำลังใจอันนี้สำคัญนะให้ขวัญกำลังใจมีอยู่วันหนึ่งเสด็จที่ต่างจังหวัดแล้วพระราชบริพานธน่ะถูกตัวบึ้งกัดพระองค์ก็ถูกตัวบึ้งกัดพอเสด็จออกจากป่ามาได้พระองก็ถามว่ามึงกี่ใครถูกบึ้งกัดเจ้าหน้าที่กรมชลและประธานคนหนึ่งก็บอกว่าข้าพระพุทธเ จ, เจ้าทุกท่านก็เสด็จดําเนินขึ้นรถเลยทุกคนขึ้นรถหมดบอกว่าภายในสานาทีขบวคนคงเคลื่อนออกไป ปรากฏองค์ทรงขึ้นไปเอายาหม่องนะในรถเสร็จแล้วเดินกลับมาถามว่าเมื่อกี้ใครถูกบึ้งกัดเขาบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกมานนี่แล้วก็เอายาหม่องเนะีทาให้ข้าราชบริพารคนนั้นะแล้วก็คลึงมือเขาด้วยตัวของพระองค์ท่านเองข้าราชบริพารที่อยู่ในที่นั้นทําอะไรไม่ถูกเลยคงมีคนเดียวในโลกันในหลวงร่วดให้เห็นนะมมือข้างนั้นนะ่ยถ้าตายแล้วต้องไม่เผานะี่ย ต้องสตารไว้สิ่งนี้เราเรียกว่าการให้ขวัญและกำลังใจสมเด็จญ่าทรงให้มาตกถึงลูกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอต า, าตมาพ่าในตอนเป็นเนน้อยจำได้ดีได้รับมอหมายให้เทศครั้งแรกนะ่โหท่องบทกันปวดเนื้อปวดตัวขั้นเนื้อกันตัวแต่ขั้นแต่ขอทั้งคืนเนี่ยจะได้เทศครั้งแรกเนะ่ะโอยวแม่อาตมาลุ้นหนักกว่านั้นนะ แต่พอเทศไปเนี่ยโยมแม่นั่งอยู่นู้นจุดนน้าจุดหลังจุดแล้วยกมื อ, องเงี้ยโอ้โหเรานี่มันชื้นไปหมดเลยนะเห็นไหมยกมืออย่างเงี้ยนั่นแ่ะทําให้เราเกิดความเชื่อมัน่นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเกี่ยนธรรมะเลยนะเพราะให้กําลังใจกําลังใจเล็กๆที่ให้มาเนี่ยสําคัญนะสําคัญมากเพราะฉะนั้นคุณแม่ให้ถึงน้อนให้สิ่งนี้ให้ธรรมะให้เงินให้ทองอย่าลืมนะให้กําลังใจโลกนะ คุณแม่ก็มีสองประเภทนะหนึ่งแม่ดับฝันสองแม่ช่วยสร้างฝันคุณแม่ดับฝันก็เช่นลูกอยากเป็นแอร์ฮสเตสแม่ก็จะถามว่าอุย้ยนั่นนะ่ะของตายนะลูกตกแล้วตายเลย น, ะนั่นนะ่ะมันเลิกฝันเลยนะใช่ไหมลูกฝันจะเป็นดาราแม่บอกอุย้ยไปฝันเลยลูกตัวดำนั่นเ่นงเนียเห็นไ แต่สมัยนี้เขาไม่สนว่าดำว่าขาวแล้วดูกันล้วแม่สิใช่ไหมถ้าเก่งลูกเป็นดาราได้อ่ะนี่เรียกว่าแม่ดับฝันเนี่ยจะทําให้ลูกไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแม่ที่ดีต้องช่วยสร้างฝันให้ลูกอาตมาหน้าจามดีเวลาเราเรียนหนังสือสอบได้ที่หนึ่งกลับมาบ้านนะอุ้ยสอบได้ที่หนึ่งระดับประถมนะแม่อาตมาเนี่ยจะคุยสาบ้านเจ็ดบ้านเหมือนกันกบว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะ จนชาวบ้านเขาตั้งฉายาให้ว่าเป็นสำนักข่าวหัวเขียวอะ่ะคือคือขยายความสำเร็จของลกูกโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินน่าตะมาเติบโตมาท่ามกลางการให้กำลังใจนะอาตมาคิดว่าสิ่งนี้มีผลมากมนอดเนี่ยถ้ามันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะทำอะไรไม่ได้เลยวันไหนที่พ่อแม่ปล่อยมือมันจะเดินออกจากบ้านไม่เป็นแต่ละาพ่อแม่กระตุ้นนี้เขาเชื่อมั่นในตัวเองนะเขาอยู่ได้แม้ในวันที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ ท่านจิตวิทยาบอกว่าเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางคําด่าคนเหล่านี้จะรักใครไม่เป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการให้กําลังใจคนเหล่านี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจของคนได้ทั่วโลกเช่นดาไลลามะนะกลายเป็นบุคคลแห่งแรงบันดาลใจเพราะพ่อแม่ให้กําลังใจให้ความหวังให้ความเชื่อมั่นว่าพระองค์ต้องทําได้พระองค์ต้องทําได้ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยพระองค์จะถูกกันทุ้งแต่พระองค์ต้องทําได้พระองค์ต้องนําที่เบ็ดได้ทุกวันนี้ไม่ได้นําแค่ที่เบดนะ นำโลกเลยนำทั่วโลกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไปแล้วเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีแต่การทุ่มเทียงเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ที่พูดคำหวานไม่เป็นต่อไปบอกว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการปล่อยปะ่าละเลยเด็กเหล่านี้จะสูญเสียมนโนธรรมสำเนาพื้นฐาน มองไม่เห็นความเร็วของตัวเองคิดว่าฉันถูกเสมอคนเหล่านี้เป็นพวกสูญเสียมโนธรรมพื้นฐานแท้ที่จริงถ้าเราตามไปดูนะพฤติกรรมทุกอย่างของโลกนะ่ะเชื่อมโยงมาจากแม่ได้ทั้งหมดพระพันจึงบอกว่าถ้าโลกเป็นโจรแม่มีส่วนแห่งความเป็นโจรของโลกถ้าโลกเป็นปราชแม่มีส่วนแห่งความเป็นปราชของโลกอันนี้แม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างพระมหากาษัตริย์ขนาดนี้ขึ้นมาได้งานปั้น ขัสุดยอดนะต่อมาเราก็ไปดูแม่ของพระพุทธเจ้าดูสิย้อนขึ้นไปอีกเป็นยังไงแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแม่ที่เสียสละที่สุดในโลกเพราะกฎของการเป็นพุทธมารดานะ่มีสิบหกข้อหนึ่งในนั้นบอกว่าผู้ที่สตรีที่เจ้าที่ตนเป็นพุทธมารดาต้องตายนะภายในเจ็ดวันหลังจาก มีรับประสูติการแล้วพระนางสิริมหามายรับข้อเสนอนี้ดังนั้นเมื่อเสด็จอุบัิในพระเจติปัจจุบันมีรับประสูติการเจ้าชายสิทธาถาแล้วเนี่ยภายในเจ็ดวันเสด็จที่วังคตเลยแล้วประวัติศาสตร์แทบไม่พูดถึงอีกเลยประวัติศาสตร์นั่นั้นสำหรับพระองค์จบแล้วแต่แท้ที่จริงนั่นแหละคือที่สุดของวีรัตรีโลก คือยอมตัวเองตายก็ได้แต่ลูกต้องอยู่นะตัวเองตายได้แต่ลูกต้องอยู่ถามว่ามีแม่คนไหนกล้าขนาดนี้บ้างรู้นะว่าถ้าลูกคนนี้คลอดแล้วแม่ต้องตายเลยอะ่ะขนาดว่าลูกจะเป็นพระพุทธเจ้าแม่รู้และแม่ก็รู้ต่อไปว่าแม่จะไม่มีโอกาสได้เห็นวันที่ลูกประสบความสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าศาสนาเอกของโลกมนะแต่แม่ก็ยอม ยอมรับเงื่อนไขตรงนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเสด็จมีพระประสัติการเสร็จแล้วในเจ็ดวันอนาะทิตย์บ่งค้เลยแม่เรานี่เสียสละขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็ตระหนักรู้ว่าพระองค์ประสบความสำเร็จได้เพราะแม่ดังนั้นในพรรษาที่เจ็ดนะเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวัดหนึ่งแล้วแสดงพระพิธ ร, รมโปรดพ ร, ร, ระพิธรรมคือธรรมะส่วนที่ประณีตที่สุดสําคัญที่สุดของพุทธศาสนา เวลาเราไปฟังพระส่วนอภิธรรมในงานศพจําได้ไหมนั่นแหละเขาได้เอาพระอภิธรรมมาสวดเพราะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดจะต้องเตือนกันตลอดเวลาก็จึงเอาพระอภิธรรมมาสวดมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไม่น่าจะมีเมื่อสวรรค์ไม่มีพุทธเจ้าจะขึ้นไปโปรดได้ยังไงอัตมาก็บอกว่าเธอย่าไปตีความตามตัว อ, อ, กอักษรสิสิ่งสําคัญไม่ใช่ความมีอยู่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่สิ่งสําคัญคือคติ จากเรื่องนี้คติที่ว่าแม้พระพุทธมันดาจะอยู่คนละโลกแต่พระพุทธเจ้าก็ตามไปสนองพระคุณความแตกต่างแห่งพบคนละมิติไม่สามารถปิดกั้นความกาตันญูของลูกที่มีต่อแม่ได้นี่คือคติที่สาคัญของเรื่องนี้แล้วเราท่านทั้งหลายเนี่ยสู้พระพุทธเจ้าได้ไหมห่างกันคนละห้องเท่านั้นเอง แม่นอนห้องโน้นนะลูกก็นอนห้องเนี้ยเคยคิดจะข้ามไปโปรดห้องแม่ไหมคิดจะเข้าไปปูที่นอนให้ไหมเนี้ย <Yeah. S 1> คิดจะเข้าไปดูแม่นอนยังไงเนี่ยดูที่เนี่ยที่นอนหมอนมุ้งคุณแม่เป็นยังไงเข้าไปดูไหมห่างกันแค่ฝาห้องกันเท่า น, นั้นเองอ่ะพระพุทธเจ้าเานี่ห่างกันคนละมิติเลยนะคนละโลกเลยนะเราอยู่โลกมนุษย์นะสมเด็จแม่ของพระองค์ท่านหนึ่งอยู่โลกสวรรค์โลกของเทพ แต่ความต่างระหว่างภพไม่สามารถปิดกั้นแรงกระตันยูของโลกได้ตะลุเจ้าหลวงไปตอบสนองพระคุณแม่จนแม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถือว่าได้ใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์จบแล้วเสด็จกลับลงมาอย่างโลกมนุษย์วันนี้พระองค์เสด็จกลับเราเรียกกันว่าวันเทโวโรหันะไงจึงมีประเพณีตักบาตรเทโวจนทุกวันนี้ทําไมจึงต้องตักบาตรเทโวเพราะวันนั้นเป็นวันสําคัญมากๆเป็นวันที่เราระลึกว่า พระพุทธเจ้าได้กลับขึ้นไปตอบแทนพระคุณพระพุทธมารดาแท้ที่จริงวันเทโวนั่นแหละเราควรจะเรียกว่าวันกตันยูแห่งโลกเพราะคนของโลกได้วางแบบแผนความกตันญูไว้ให้เราเห็นไม่ใช่วันตักบาตรธรรมดาเนาะพอวันเทโวา น, นี่เราคิดถึงอะไรเราก็คิดว่าเอาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระเนนก็คิดว่าโอ้วันนี้ตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งเดินลงจากยอดเขาวันนี้ได้เงินเยอะเนี่ย คิดกันแค่เนี้ยบางทีก็ได้มามากเยอะใช่ไหมตากาทเทวมุ น, นี้อยู่ได้สามเดือนเลยต้องยำก้งเลยต้องเลือกไว้ต่างหากเลยนะ <laughs> ไม่มีใครเข้าใจแก่นของเทโวรโรห a ะเลยใช่ไหมแก่นของเทโวรโรห a ะ a คือวันกระตำยูแห่งโลกวันที่ลูกคนหนึ่งซึ่งประสบความสําเร็จสูงสุดแล้วในปีที่เจ็ดย้อนกลับขึ้นไปตอบแทนพระคุณแม่คือพระพุทธเจ้าของเรา ตอบแทนพระคุณของพระพุทธมารดาเราเนี่ยมันหากันแค่ฝาห้องกันยังไม่ดูดำดู ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดีเลยลูกบางคนทะเลาะ ก, กับแม่เป็นสิบปีนะบางคนจะไหว้แม่ไหว้ตอนเผลอเลยเอาของมาอะไรไปให้ก็บอกแม่วางไว้นี่นะไปละเรียบทํางานเขินแม่นะแต่ไม่เขินต่อแฟนนะไม่เขิดเวลาทําชั่วทําเร็วไม่เขินแต่แม่เนี่ดีแสนดีเวลาจะดีต่อแม่หน่อยเขิน นี่มนุษย์จะเป็นอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้อยู่กันคนละโลกหรอกแม่ก็อยู่เมืองไทยเนี่ยลูกก็อยู่เมืองไทยเนี่ยแต่จะโทรศัพท์ไปหาทีแล้วก็โอ้ยปีสักสองครั้งมั้งนานเหลือเกินเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันถึงแล้วแต่ว่าความผูกพันของลูกกับแม่ถึงไหมนี่ต้องฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาอัตมานี่ถือเป็นหลักปฏิบัติเลยนะถ้าทุกเดือน่ขึ้นไปบ้านพ่อยอมแม่ไม่อยู่ก็ไปหายมพ่อ ก็เป็นเลี้ยงยมพ่อพาไปทานข้าวที่โนนที่นี่สังเกตดูท่านทานได้เยอะทุกทีสองจานสามจานคนอายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแต่ทานข้าวได้ขนาดนั้นเนี่ยโหลูกมันอิ่มนะลูกสามสี่คนล้อมพ่อล้อมแม่โอ้มีความสุขมากเห็นท่านอิ่มแล้วมันอิ่มอยู่ในใจลูกเนี่ยอาตามากลับมากรุงเทพอาตามาทํางานได้ฉันเลยไม่ห่วงหน้าไม่ห่วงหลังเพราะอะไรเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราได้ดีต่อพ่อแล้ว ตอนนี้แม่ยังอยู่เนี่ยคืนไหนที่ฝนตกฟ้าข้างนองนะตามานในใจวิววิวเลยนะกลัวว่าจะเกิดน้ําป่าเพราะหมู่บ้านของอัตามานเนี่ยมันอยู่เชิงเขาที่เชิงรายมันอยู่เชิงเขาแล้วก็มีน้ําห้วยเนี่ยที่มันไหลมาจากยอดเขาเลยผ่านหลังบ้านอัตมาพอดีบ้านของอัตามานเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นสามเหลี่มอย่างนี้เป็นบ้านหลังแรกเลย ถ้าเกิดน้ำป่ามาเนี่ยบ้านเราไปก่อนนะพ่อแม่เราไม่เหลือเพราะฉะนั้นสมัยที่โยมแม่ยังอยู่เนี่ยแตมาเนี่ยถ้านหน้าฝนอย่างเงี้ยแตมาไม่สบายใจทุกทีเราก็ไม่สบายใจทีนี้โยมแม่ไม่อยู่ให้เราทําดีแล้วยมพ่อยังอยู่แต่พระก็กลับไปดูแลท่านตลอดไปดูไปแลไปปรนในบัตรท่านในส่วนที่เราทําได้เวลาเห็นพ่อเนี่ยดวงตาพอประกายมีความสุขมันอิ่มอยู่ในใจของโลก มือนกับครั้งหนึ่งที่ที่อาตมาเคยซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่และเป็นชุดสุดท้ายเลยที่ยอมแม่ใส่ตอนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกับอีกชุดหนึ่งทีใส่ตอนที่อยู่ในโรงนั่นแหละเวลาเรานึกถึงเราก็นึกถึงเสื้อที่เราซื้อให้ก็แม่ใส่ผ้าถุงที่เราซื้อให้ก็แม่ใส่เป็นชุดสุดท้ายในชีวิตของแม่ทั้งตอนป่วยทั้งตอนที่อยู่ในโรงเรานึกถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่นกินแหลงแขงใจแล้วนะเพราะเราได้ทําแล้วทั้งตอนอยู่ทั้งตอนไป แม่ห่มกายไปโลกหน้าด้วยอาภรณ์ที่เรามอบให้มันเป็นความสุขมันเป็นความภูมิใจของโลกที่ได้ทําทีนี้แม่ไม่อยู่เราก็ไปดีต่อพ่อดีอย่างถึงที่สุดเลยดีจนกระทัน่นท่านเรือออกมาเป็นความสุขเป็นลูกต้องให้ได้ขนาดนั้นนะดีต่อพ่อต่อแม่จนท่านเรือออกมาเป็นความสุขคือพูดออกมาทางปากได้เลยว่านี่แม่ภูมิใจนะที่มีลกูก ให้ให้แม่พูดได้ขนาดนี้เราถึงจะเป็นเป็นโรกชนยอดอันนี้เรียกว่าแม่ของพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็ไปดูท่านพุทธทาสกับแม่บ้างท่านพุทธทาสนี้เป็นคนของโลกก็เพราะว่ามีแม่ที่เป็นนักคิดนอกกรอบไม่น้อยไปกว่าลูกยมแม่ของท่านนั้นเก่งธรรมะมากๆที่ร้านของยมแม่นะจะมีหนังสือเยอะแยะไปหมดแต่ละวันก็จะมีคนมาถกธรรมะ ก, กันเยอะแยะไปหมดลูกชายก็ช่วยแม่ขายของ แล้วจะเข้าไปนั่งคุยก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะผู้ใหญ่เขาคุยกันแต่ธรรมะนายเงื่อมนะตอนนั้นเป็นลูกคนคนที่สองนะพิชาแนลยี่เกล้ยนะก็ไปซื้อหนังสือธรรมะนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกมาอ่านตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะอ่านแตกหมดเลยด้วยความที่เป็นคนเก่งก็ไปเสียงธรรมะกับผู้ใหญ่กลายเป็นนักโต ว, วัตีธรรมะตั้งแต่ยังไม่ได้บวชวันหนึ่งมีคนไปถามท่านผู้ตถาท่านเมื่ออายุแปดสิบเนี่ยถามว่าท่านอาจารย์ ตอนที่ยอมแม่ของท่านอาจารย์เสียเนี่ยอาจารย์เสียใจไหมท่านพู้เจ้าทบอกว่าจะไปเสียใจได้ไงล่ะเสียใจให้แม่เห็นก็ดนแม่ลุกขึ้นมาด่าเท่านั้นสิเพราะแม่ของมันจะมาอนะ่ะท่านรู้ธรรมะดีจะตายคือสามารถเทศด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้พระลูกชายฟังได้อะ่ะท่านบอกว่าผมจะไปเสียใจอะไรผมก็ได้แต่จัดงานจบให้ดีที่สุดเท่านั้นเห็นไหมว่าแม่มีธรรมะขนาดนั้นอ่ะแล้วลูกจะขนาดไหน ท่านพุทธรท่านเนี่ยเก่งก็เพราะว่าแม่ท่านเก่งฮะครับสอนลูกดีมากแล้วเรื่องความประหยัดเนี่ยยมแม่ของท่านพุทธรท่านเนี่ยสอนมาจนท่านพุทธรท่านในเวลาใช้กระดาษทิชชู่นะเช็ดเนี่ยเรียกว่าสามถึงสี่ต่อนะเช็ดปากเสร็จแล้วก็เช็ดจานเช็ดจานเสร็จแล้วก็เช็ดพื้นเช็ดพื้นเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งก็บอกว่ า, าไปทิ้งโน่น ในบอ่อขยะนวนให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่อไปอง ก, ก็ใช้กันสุดโค้งจริงๆนะกระดาษโน้ตี่มีการค้นพบสองหมืนกว่าชิ้นนะที่เอามาพิมพ์กันทุกวันนี้นะเชื่อไหมว่าเป็นกระดาษที่บางชิ้นเขียนลงบนปฏิทินเก่าบางชิ้นเขียนลงในซองจดหมายบางชิ้นเขียนลงบนสมุดบันทึกที่ด้านหน้าก็เขียนแล้วท่านพลิกด้านหลังเขียนอีกนะประหยัดขนาดนั้น ถ้าตอนนี้มันกลายเป็นของมีค่าระดับโลกไปแล้ว<อ>มียมคนหนึ่งที่จะมารู้จักส่งกุ้งแห้งไปถวายท่านพุทธทาสประจําะและได้รับจดหมายตอบจากท่านพุทธทาสตอนได้รับก็ไม่คิดอะไรเนี่ยปีเนี้ยเขาประกาศท่านพุทธทาสเป็นคนของโลกเธอรีบเอาไปใส่กรอบเลยนะมีจดหมายคนของโลกอะแล้วในจดหมายนั้นเป็นกระดาษดีไหมอุ๊ยเป็นกระดาษใช้แล้ว เป็นกระดาษเก่าๆนะยับยู่ยี่ท่านผู้ตถาท่านเอามาคลี่แล้วก็เขียนตอบกลับมาว่าที่ส่งมาท่านมาให้เนี่ยได้รับแล้วแล้วก็ดีใจโยมคนนั้นก็คิดว่าเนี่ยดูที่ท่านตอนนั้นท่านก็ดังแล้วนะเป็นคนของโลกแล้วยังมาตอบจดหมายโยมทําไมท่านพู้ตถาทานจึงเป็นพระที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ความละเอียดอ่อนมาจากไหนมาจากแม่นะคือละเอียดอ่อนต่อหัวใจของมนุษย์ก็มาจากแม่ ช่วงบวชใหม่ๆเนี่ยตอนที่ยังไม่ตั้งสอนบอกท่านพุทธรา ช, ช้อบที่สุดคือการเข้าครัวทำกับข้าวนะทํากับข้าวเองแล้วก็ประนีที่สุดประหยัดที่สุดหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งนะใครยังไม่ได้อ่านอยากจะแนะนําให้อ่านคือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ทำยี่สิบปียี่สิบปีนะท่านทั้งหลายรอได้ไหม คือเขียนขัดเกลาอยู่ยี่สิบปีจึงเป็นงานที่ประณีตที่สุดมีคนไปถามท่านว่ามีงานเล่มไหนที่พอใจที่สุดท่านบอกว่าก็เนี่ยถ้าจะให้แนะนำก็พุทธประวัติจากพระอดไกวรยธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอ์อริยสัจจากพระอดงานเหล่านี้เป็นงานที่ท่านพุทธละพรมใจที่สุดใช้เวลานานที่สุด พูดไง่ายๆว่าพุทธประวัติจ่าโรดทำตั้งแต่พรรษาแรกที่ไปอยู่สวนโมกจนพรรษาที่ยี่สิบถึงเสร็จเมื่อทำออกมาแล้วเป็นงานที่ประณีตที่สุดก็ได้มาจากแม่เช่นเดียวกันทีนี้เราก็ไปถามว่าเมื่อเมื่อแม่ดีอย่างนี้เนี่ยท่านพุทธทาส ต, ตอบแทนยังไงท่านกระตันอยู่มากถึงขนาดมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยสั่งลูกศิษย์ลูกหาฤทธ รานกิ่งไม้ที่สวนโมกแล้วก็มีคนมาถามว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ให้ร็ดกิ่งไม้ทําไมท่านก็บอกว่าที่ผมให้เร็ดกิ่งไม้เนี่ยก็เพราะว่าผมมองไม่เห็นยอดเขาที่เก็บอัฐิของยมแม่นั่นคือกระตันยูกระตันยูขนาดนั้นกิ่งไม้มันบางยอดเขาไปส่์ ปกติเวลาท่านพุทธทาสมาเดินท่านจะเดินแล้วก็มองดูยอดเขาที่เก็บอัฐิของยมพ่อยมแม่ถามว่าทําทําไมสื่อสารกับยมพ่อยมแม่ว่าลูกทําหน้าที่จนถึงขนาดนี้เนี่ยดีที่สุดท่านเขียนไว้ในบันทึกก่อนที่จะมรณภาพว่าท่านทั้งหลายที่ถวายข้าวปลาอาหารที่ยกย่องนับถือขอให้เชื่อมั่นว่าฉันทําดีที่สุดจริงๆทําสุดความสามารถจริงๆ ทำคุ้งค่าข้าวแดงแกังร้อนของท่านแล้วจริงๆคือท่านปฏิญาณอย่างนี้แล้วท่านก็จะมองไปที่ยอดเขาเปโสมบอกยมพ่อยมแม่ว่ายมพ่อยมแม่ถ้าลูกชายไม่ได้อยู่เลี้ยงพ่อไม่ได้อยู่เลี้ยงแม่ในทางกายภาพแต่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเลี้ยงคนทั้งโลกด้วยธรรมะถึงจุดที่ดีที่สุดจริงๆผูพันกับแม่อย่างนี้แล้วท่านก็เล่าถึงช่วงที่ท่านก่อตั้งสวนบกใหม่ๆ ท่านจะงรถบินธบัติสามเดือนไม่พูดอยอมแม่ส่งบินโตทุกวันนี้อยอมแม่ส่งบินโตท่านพูดถ้เขียนโน้ตนะแนปปบบินโตกลับไปให้แม่ทุกวันถ้าลูกชายก็ได้ฉันอาหารจากปินโตของแม่เพราะปินโตเปล่าส่งไปถึงแม่ก็แกะแกะกระดาษ ธ, ธรรมะของลูกตอนนั้นลูกเนี่ยยังเป็นพระธรรมดานะ เขียนธรรมะเนี่ยังเด็กๆเลยธรรมะคือคุณนากร น, นายมแมอย่างเงี้ยแงๆอย่างเงี้ยกระนั้นก็เล่าว่านี่ดูสิตอนที่ฉันรู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนยมแม่ก็ไม่ทันยังเสียใจอยู่จนทึกวันนี้ท่านเล่าต่อว่าจําได้ว่าตอนนี้ยังเป็นพระเด็กเด็กรู้ธรรมะโงงๆขั้นพื้นฐานกดสูตรสาเขียนธรรมะ แม่เป็นต่อส่งไปให้แม่ยมแม่ก็ไฝ่รู้ธรรมะเลือกเกินเขียนอะไรส่งไาให้ก็อ่านหมดเลยเราจะดูความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกสิว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากกล่าวคือแม่เลี้ยงใจของลูกลูกเลี้ยงใจของแม่แม่วันละหนึ่งเป็นต่อลูกวันละหนึ่งข้อธรรมต่างตอบแทนนี่คือการตอบแทนที่แท้จริง เมือนกับพระพุทธมารดาพระนางมหาประชาบดีโคตมีก่กอนจะนิพพานได้ไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าก่อนที่จารยานิพพานพระนางได้รำพึงรำพันว่าเมื่อตอนที่พระองค์ยังครองค้าวบาตวิสัยม่อมฉันได้หลอเลี้ยงพระวรากายของพระองค์ด้วยข้าวปลาอาหารต่อมาเมื่อมอมฉันได้บวชแล้วเป็นภิกษุณีพระองค์ก็หลอเลี้ยงธรรมากายของหม่อมฉันจนเติบโต อาตมาคิดว่าท่านพุทธทาสคงได้อ่านประโยคอย่างนี้นะท่านถึงตอบต่อยมแม่ของท่านแล้วยมแม่ของท่านเลี้ยงกายท่านก็เลี้ยงใจยมแม่ต่างตอบแทนนี่คือการตอบแทนให้คุณแม่ที่สูงสุดในบรราการตอบแทนทั้งหลายเนี่ยถ้าจะให้ง่ายที่สุดมีข้อเดียวแล้วก็เป็นการตอบแทนที่สูงสุดด้วยอาตมาเรียกว่าที่สุดแห่งการตอบแทน คือถ้าคุณไม่มีเวลาเลยที่จะไปดูแลปนในบาดพัดวีตักข้าวตักน้าทาอาหารไปอยู่ก็ทํนไม่มีเวลาเลยนะให้ใช้วิธีนี้นั่นก็คือชักชวนแม่ที่ไม่มีศีลให้มีศีลชักชวนแม่ที่ตรนีให้ยินดีในทานชักชวนแม่ที่ไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาชักชวนแม่ ที่ไม่มีธรรมะให้มีธรรมะกล่าวโดยสรุปก็คือสถาปนาพ่อแม่ไว้ในโลกของธรรมะนั่นคือการตอบแทนอันสูงสุดท่านเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกนะว่าต่อให้ลูกที่ระลึกถึงพระคุณของพ่อและแม่เอาแม่เนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่บนบ่าขวาเอาพ่อมาใช้ชีวิตอยู่บนบ่าซ้ายแล้วให้สองท่านอุจาราปัสสาวะอยู่บนบ่าซ้ายบ่าขวาเลยร้อยปี ถามาตอบแทนได้สูงสุดหรื อ, อยังคำตอบก็คือยังเพราะนั่นมันเป็นการตอบแทนทางกายภาพเท่านั้นเองที่สุดของการตอบแทนต้องเป็นการตอบแทนทางจิตทางใจนั่นคือลูกต้องมีธรรมะเพื่อที่ว่าแม่จะได้ยินแต่ข่าวคร า, าวที่ดีงามของลกูกแล้วมีจิตใจที่ฟูเบิกบานผ่งใสภูมิใจลูกที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจนั่นแหละ คือโลกกําลังโอบกอดพ่อแม่ด้วยอ้อมแขนที่อบอุ่นที่สุดคืออ้อมแขนแห่งความอ้อมแขนแห่งความดีงามโอบกอดพ่อแม่ด้วยความดีงา่าของโลกและแม่จะได้รับการทับด้วยดอกไม้ที่หอมที่สุดในโลกคือดอกไม้แห่งความเีิงามของโลกและลูกที่จะตอบแทนได้สูงสุดก็คือพาพ่อพาแม่เข้าสู่เส้นทางธรรมพาพ่อพาแม่เข้าสู่เส้นทางธรรมเช่นพระพุทธเจ้า ก็ไปโปรดพุทธมารดาจนเป็นท่าละหันทั้งสองคนโปรดพุทธบิดาจนเป็นท่าละหันหลวงพ่อชาสุภโทเอายมแม่มาบวชเป็นแม่ชีหลวงปู่เทศสร้างสำนักให้ยมแม่ก็พาแม่เข้าสู่เส้นทางธรรมทั้งหมดเลยอันนี้คือการตอบแทนที่สูงสุดมาถึงตัวของอาตมาเองในวาระสุดท้ายของยมแม่ครึ่งเดือนที่ยมแม่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล อาตมาไปทุกวันไปสอนกรรมฐานสอนให้โยมแม่ภาวนาพุทโธสอนไปโกรธไปเพราะว่าโยมแม่หายใจไม่สะดวกเป็นโรคหอบหืนแต่ว่าอาตมาก็ทาหน้าที่นั้นจนถึงที่สุดจนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมลงไปบนเตียงนั้นบทเรียนสุดท้ายที่ที่แม่ให้เราก็คือว่าให้เรียบทําความดีเพราะ ชีวิตน่ะอาจจะอยู่ไม่ถึงวันที่เราคาดหวังแต่บทเรียนสําหรับลูกก็คือว่าถ้าเราจะตอบแทนพระคุณพ่อพอระคุณแม่ต้องรีบทําเสียตอนที่ท่านยังแข็งแรงอยู่อย่าไปคิดทําตอนที่ท่านไม่สบายเหมือนนักมาเนี่ยจะมาไปสอนกับมาฐานท่านตอนท่านไม่สบายท่านรู้ว่ามันดีที่สดุดแต่ท่านก็ทําไม่สะดวกแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่คิดอยู่ในใจว่าอยากจะกลับไปทําตรงนี้ เพราะฉะนั้นอาตมาสร้างอาคารที่บ้านเกิดจึงสร้างห้องวิปัสสนากรรมฐานาซะใหญ่โตเลยนะเพราะอยากจะทำให้แม่ท่านทั้งหลายที่ยังมีแม่อยู่ยังมีพ่ออยู่ก็ให้กลับไปกอดท่านด้วยสองอย่างนะกอดทางกายภาพด้วยด้วยการทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วกอดทางจิตใจก็ด้วยการเป็นลูกที่ดีที่สุดแล้วเหนืออื่นใดสาคัญที่สุดที่สุดแห่งการแทนคุณ พาคุณพ่อพาคุณแม่เข้าสู่เส้นทางธรรมคำว่าเข้าสู่เส้นทางธรรมไม่จำเป็นต้องบวชแต่หมายความว่าเอาธรรมะเนี่ยเข้าไปผ่านหูผ่านตาท่านให้ท่านไม่เอาเสียงธรรมเสีย